ในทางพุทธศาสนาเราก็ได้มาเครื่องเดียวคำว่าอยากนี้ให้ญาติโยมแปลเป็นภาษาพระจะ แ, แปลว่ายอย่างไรลองนึกดูคนไทยก็จะนึกได้แต่ตันหาแปลว่าอยากแสดงว่าได้คะแนนเพียง 50% เอร์เซ็นเท่านั้นพระท่านสอนไว้แล้วว่าความอยากมีสองชนิดคือหนึ่งความอยากที่เป็นอกุศล สความอยากที่เป็นกุศลที่คนไทยจํานวนมากบอกว่าความอยากคือตัณหานั้นเป็นความอยากฝ่ายอากุศลเท่านั้นคําพระว่าตัณหาปัฏฐานะทีนี้ความอยากฝ่ายกุศลคืออะไรเราต้องตอบให้ได้ความอยากฝ่ายกุศลคือฉันทะคําพระว่าฉันทะปัฏฐานะ ความอยากที่ชื่อว่าตัญหานั้นคืออยากเสพอยากบริโภคอยากบำรุงบำรเรตาหูจมูกลิ้นของตัวให้มันสู้ซาสนุกสนานมีความสุขความอยากบำาเรอตาหูจมูกลิ้นกายด้านความรู้สึกนี่แหละเป็นตัญหาส่วนความอยากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลท่านเรียกว่าฉันทะถ้าอธิบายแบบแปลบาลีเป็นบาลี ฉันทะแปลว่ากัตตุกรรมยตาคือความอยากทำเมืองไทยกำลังต้องการความอยากแบบที่สองนี้ส่วนตัญหาอยากได้อยากเสบเนี่ยพอแล้วคนไทยมีมากไปหน่อยแต่ฉันทายอยากทำเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คือกัตตุกรรมยตาที่แปลว่าความอยากทำ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 ความอยากสองอย่างทั้งตัณหาและฉันทานี้ต้องละแต่ละต่างกันคือตัณหานั้นเกิดเมื่อไรก็ละเสียเลยส่วนฉันทานั้นละด้วยการทำให้สําเร็จท่านว่าอย่างนั้นเมื่อทําให้สําเร็จแล้วก็ละได้เพราะฉะนั้นเราต้องละฉันทะด้วยการทำให้สําเร็จ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 ความมีชันท h ไม่ลดถอยบาลีว่านัตถิชันทะสหานิจึงเป็นพุทธคุณอย่างหนึ่งในหลักที่เรียกว่าพุทธธรรม18ประการเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องสร้างชัน t h นี้ขึ้นมาให้ได้และต้องสร้างเด็กให้เป็นคนที่มีนิสัยอยากทำอยากสร้างถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็คืออยากผลิต แต่ความอยากทางเศรษฐกิจกนี้ไม่ค่อยปลอดภัยการผลิตนี้ต้องระวังกันหน่อยบางทีผลิตไปมีโทษแต่ถึงอย่างไรก็ให้มีนิสัยนักผลิตไว้ก็ยังดีเพียงขอว่าอย่าหยุดแค่นั้นต้องก้าวไปทาอย่างอื่นที่เรียกว่าสร้างสรร์ต่อไปรวมความว่าการที่เราเป็นนิยมตามวัฒนธรรมฝรัง่ง